ขอกับพลวัพระนรตาใจคือพระพุทธธรรมประสง์ขอกับนำมัตการของพ่อผู้เป็นประธานการรบอย่างสูงอ่าขอนำมัตการครูบายอาจารย์พระเถรานอเถระจะรอทั้งตรงพี่ <c oughs> แกเล่พรอุบาสกอุบาติกาทุกๆท่านอ๋อหลวงพ่อกอเป็นคนแก่เด้อปูดไปตามภาษาของคนแก่ไปดูยูทูบก็แยกออกบางทีถ้าได้เประโยชน์ก็เอาทิ้งทิ้งได้เป็นประโยชน์ก็เอาไว้แก่ใบ้ทิ้งไม่เป็นประโยชนก็ปล่อยไปทิ้งไปเลย หลวงพ่อกวดไม่รู้จะเอาจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังแล้วฟั <c oughs> วงไปเนาะเกิดมาแล้วก็ต้องมาดูตัวเองถ้าไม่มาปฏิบัติแบบนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาอเอมันมีมันเป็นปนัญหาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเกิดมานี่ไม่มองเห็นตัวเอง ทิ้งความรู้สึกตัวออกหนีไปแต่พื่แต่เพือจนจนตายก็ยังไม่เห็นตัวเองเราถ้าไม่มาแบบนี้พ อ, อหลวงพ่อหลวงพองมาปฏิบัตินี้ก็ตั้งแต่ก่อนก็ไม่รู้จักอะไรหรอกไม่รู้จักบาปรู้จักบุญหรอกรู้จักใดอย่างไดจากทำอย่างเดียวเพื่อเพื่อนไปอะไรก็่าจจะนั่นดีนดีเรื่อยไปงั้นมาวันนี้ก็เริ่มมาดูตัวเองเอว่เห็นชีวิตจิตใจของตัวเอง ก็รู้สึกว่าหน้าวาดเตียวเกิดมาทั้งชาติถ้าไม่มาแบบนี้ก็จะเสียผู้เสียคนไปเท่าเท่ากับมาทำโทษตัวเองมาลงโทษตัวเองเนี่ยมาคิดดูแล้วก็เป็นคนหลง่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรามานี่ก็ต้องให้ตั้งอกตั้งใจฟังฟังให้มาประพฤติปฏิบัติ ให้รู้จักว่าเราเข้ามาวัดนี่เข้ามาทําไม ม, มาดูชีวิต จ, จิตใจมาดูวัดดูจิตดูใจของตัวเองมันจะไปที่ไหนมันจะมาที่ไหนมันที่เป็นยังไงเราก็ให้เรารู้จักมันไปตามมันแต่ก่อนเราเคยไปตามอกตามใจของมันไปหลงไปเรื่อยๆไปวันนี้เราเข้ามาเห็นแล้วเราก็รู้จักรู้จักเข็ดหลาบรู้จักสิ่งที่มันผิดพลาดไป ล้วก็เลย ก, กลัวตัวเองมาดูตัวเองเออโอ้มามาวัดนี่มันดีตั้งแต่ก่อนเป็นคนป่าเทียนไม่ค่อยเข้าบ้าน เ, ออเข้าวัดเข้าวาเท่าไหร่ไปหาอยู่หากินตามยถากรรมของชาวบ้านพอมาเข้าใจแล้วก็ไม่กล้าจะสึกบ อ, อกไปเป็นโยมอีกเพราะว่าเอยเป็นโยนโยมเนี่ยมันเป็นได้ร้อยแปดพันประการถุแล้วแต่จะเป็นอะไร ทา้งชั่วทั้งดีปนเปกันไปตะพื้นตะพือไปวันนี้พอมาเข้าใจแล้วเราก็รู้จักทางเดินไปก็ามาดูตัวเองพอมันคิดอะไรเข้ามาเราเข้าเข้าใจเข้าใจเราก็รู้แต่การทำมานี่นะทำการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราอย่าไปหลงมายกมือมาทําคนเพลินมาการเคลื่อนไหวดูตัวเองเนี่ยไม่เคยอีดูเลยเราเคยปล่อย ตัวเองไปเนี่ยไปตลอดมาตั้งแต่เกิดจนตายทิ้งไปเฉยๆก็ยังไม่เห็นตัวเองพอมาเห็นแล้วก็รู้ตื่ว่าเบื่อหน่ายสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วเทาําอะไรก็จะออกดีนะไปไปไม่ได้หรอกถ้าเป็นอย่างที่เคยเป็นมาแล้วเนี่ยเป็นของแถวบ้านรู้สึกว่าบาปบุญคุณโทษอะไรเราไม่ได้จุดรู้จักหรอกเพื่อเพลินไปกับมันไปแต่พื้นๆไป พวกโรคภายนอกโลกภายในโลกภายในแล้วก็มาดูวัดตัวจิตดัวใจของเรานี่แหละอันใดมันไปไหนมาไหนมันดีมันถูกมันผิดเล้วก็รู้จกักดูแล้วก็เราก็จอเดินทางไปางทางสายกลางแต่ก่อนเปิดเ อ, อเป็นอะไรก็เป็นไปมันมันไปทั้งสูงทั้งต่ำตัวใจเขาจะพาไปไปเรื่อยๆไปจุดดีอันดีอันชั่วเราก็ไปตามยถารกรรมพอเรามาเข้าใจเราก็เรามาเข้าใจดูตัวเอง บุกายเคลื่อนไหวใจรับรู้รู้ด้วยวิไทยใดวก็ตามแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นเปตามมันตั้งแต่ก่อนเราเคยเดินทางผิดหลงทางมามาตลอดแต่รู้ความรู้สึกนี่ไม่เคยเห็นแท็กทีเลยมีแต่ถูกตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิก่ น, นรสโลิตภัณฑ์ทำมหลอกเราไปกับพุทธภือไม่ได้กลับขึ้นมาดูตัวเองพอมาเข้าใจนี่ก็ มีแต่ดูตัวเองเรื่อยๆไปเพราะเดินไปที่ไหนก็มาดูตัวเองอดูพอมาทําความรู้สึกนี่ก็นเนี่ยเนี่ยนำมาทําความรู้สึกเนี่ยดีมากที่ถุดทําอะไรก็ทำรู้ดูดูรูปรูน้ํารู ก, กายรูใจของเราเนี่ยเราไม่เคยเห็นเนี่ยหลงตัวลืมตัวหลงกายลืมใจคือเราไม่เห็นความรู้สึกไม่เห็นความเคลื่อนไหวของชีวิตจิตใจของเราก็ปล่อยไว้ตาม อำนาจของเขาเขาพาไปไห น, นก็ไปตกเป็นทาสของเขาไปถูดแล้วแต่เขาจะพาไปที่ไหนพอเรามาเห็นแล้วเราก็มีฮิริความยายใจใจเจ็บปวดตับปากความเพียงขลัวกลัวความชั่วกลัวความไม่ดีนั่นแหละรักความชั่วเออลักความดีแต่ความชั่วเนี่ยรู้สึกบับเบื่อหน่ายไม่อยากทำแล้วมไม่ว่าจะพูด ก็เหมือนกันจะทำอะไรก็เหมือนกันทั้งกายทั้งว่าจาทั้งใจมันพาเราไปอยู่ตลอดเวลาพอมาเห็นแล้วเราก็มากลับมาดูตัวเองแล้วก็ไม่ไปตามที่เคยเป็นมาแล้วแล้วก็ถือเป็นปัจจุบันไปมาการทำเคลื่อนไหวทาอันนี้ให้เราพยายามทาให้มันเข้าใจชีวิตจิตใจตัวเอง ืพอกายเคลื่อนไหวเวลาใดก็หายใจรับรู้ไปด้วยนะอย่าไปทิ้งอันเนี้ยเนอ่ยมันเรามาอาศัยกายมาอาศัยใจของเราอืมเพราะสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันมารวมอยู่ที่กายของเราทั้งหมดเลยมาอาศัยอยู่ที่กายเนี่ยใจก็เป็นบ้านของใจเนี่ยเราต้องมองอ่าเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่ประกอบเป็นความคิดป่อยออกนอกไปเร่ๆไปพอมาเห็นเย็บหยับเห็นอันนี้เราก็มาอยู่กับตัวรู้สึก อยู่ในปัจจุบันขณะที่ไม่เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยเราต้องเห็นให้มันต้ก็มาเข้าใจรูปเข้าใจนามครูบาอาจารย์ท่านสอนให้รูปรูปรูปนามเนี่ยหลวงปู่ท่านสอนตั้งแต่ก่อนให้มาดูรูปดูนามไม่ได้บอกใครเลยไม่ว่าไม่ไม่บอกแลยมีแต่บอกว่าให้ดูรูปดูนามรูนามรูปนามเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็คิดว่าอันกายของใจเนี่ยทำไมจะไม่รู้ อก็ท่านมาถามมาถามเรานี่อะไรเนี่ยก็ตามชีพไปตามจะทากมตัวเองละ่ะเขามาจับแขนก็ว่าแขนไปจับขาก็ว่าขาท่านก็ไม่ว่าอะไรหรอกปฏิบัติไปปฏิบัติไปบอกไปแต่พื่อแต่พื อ, พอไม่ไม่บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่บอกเลยกวดูงั่นแหละอยู่ตั้งตั้งหลายตั้งหลายปีตั้งหลายเดือนจึงจะเข้าใจ รูปก็จะนาการเดินจงกรมการเจริญสติเนี่ยแต่ยกมือเนี่ยก็ยกเฉยไม่รู้จักอะไรว่าแต่แต่ยกยกถึกยกถูกแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรไม่เข้าใจพอมาเข้าใจแล้วก็มันไม่ใช่เข้าใจนะนะการปฏิบัติเนี่ยมันยุ่งเหยิงสับสนทั้งปวดหัวทั้งแน่นนาอก ปวดแข้งปวดขาสารพัดพุ่งสั่นลำคาญคิดร8อยแปดผการเรื่องนั่นเรื่องนี่เรื่องอนาคตเรื่องไรเรื่องนาเรื่องไรเรื่องสวนการทำมาหากินของตัวมันไปทางนอกไปหมดจนเหลือที่ใส่เราหลวงพ่อเนี่ยเออมันมาบวดมานานแล้วก็มันไม่รู้อะไรว่าจะลาหลวงพ่อไปวันมาหลรงพ่อไป อยู่เดืออะทำเนาะอะไปอยู่ทำเนาะอยู่น้ำพุทโธนี่คือยังไม่ไมันจะไม่ล่ามันจะมันจะไม่ได้มีเวลาหยุดพักมาอยู่ที่นี่ไม่มีเวลาหยุดพักจะนอนกลางวันก็นอนไม่ได้ก็ทําตามตามกันไปทํำ ต, ตามกันเมื่อเห็นหมู่ทําไปก็ทําไปเฉยนี่ไปนวดแข้งนวดขาให้ล็อกนกปู่ตั้งแต่สามโงเย็น ไปถึงสามภูมิจะค่อยได้เลิกหนีไป อ, อก็บอกท่านเพื่อให้ฟังว่าหลวงพ่อผมไม่ได้อะไรหรอกผมไม่รู้จักเลยรูปนามอะไผมก็ไม่รู้จักแต่เดินไปนี่ผมกไม็ไม่เหยียบดินไปไแท้ๆก็ยังไม่รู้สึกเลยท่านบอกว่าคนเรานี่มันตายเป็นทุกค น, น่นแล้วท่านว่าง น, นนะน อ, อทําไป ถึงเวลาจะถึงเองเหมือนเราเดินทางเดินทางไปถ้าถึงจุดที่หมายปลายทางแล้วเราก็จะเข้าใจเองอะไรอยู่ที่ไหนเร า, าก็รู้จักท่านบอกว่าอุตสาห์คนเรานี่ตายทุกคนอันนี้เรามาทำแบบนี้นะมันมันจะถ้าเข้าใจแล้วนะมันมันจะดีไปตลอดมันจะไม่ เป็นอย่างอื่นไปพอรูดูนามรูอะไรไปพอออกจากเห็นความคิดตัวเองนะ่ะมันจะเข้าใจเองมันจะค่อยๆไปนะท่านสอนบอกว่าอย่าอย่าอดสาวเนี่ยตายไปก็จริงที่มันเราทำอยู่เนี่ยมันมันรู้หมดทุกคนนั่นแหละแต่แต่ว่ามันรู้มันเอามาเป็นมันไม่รู้ ถ้าเรารู้เป็นไปต่อตอนนี้อันได้เกิดขึ้นเนี่ย เ, เราดีเข้าใจท่านพูดให้ฟังอะไรอวดซาทําไปเอทําไปก็ไปทั้งนั่นแหละ ย, ยิ่ยงทําไปก็ยิ่ยงสับสนวุ่นวายไปแต่พุทธะพือหาังดีก็ดีบางบางครั้งก็สว่างสวาเปิดอกเปิดใจตัวเอง อืมตลอดวันก็ไม่ง่วงเาหงาเข้านอนเพราะว่าอะไรเพราะเราไปอยู่ในความคิดเพิอเปิดในเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆไปท่านบอกว่าให้มาอยู่ความความรู้สึกถ้ามาอยู่ความรู้สึกแล้วมันก็หนักแข้งหนักขาปวดแง้งปวดขาสารพัดทับตนวุ่นวายเอีก็ไปทําไปอยู่นั่นแหละง่วงเาหงาเข้านอนอถนนทางหัวทางเนี่ยดีเท่าไหร่ก็ไม่พอใจ ทำจนเรียบหมดเลยปะนั่นเมื่อเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเซซ่าเซขว้าหนักแก้งหนักขาเป็นหลุมเป็นบ่อทั้งล่มทั้งตุ้ดขามตารพัดทั้งแต่มันจะเป็นไปอดสาเอาเอาตายก็ตายให้มันตายไปเอาไปเอามาเอาไปเอามาบางทีก็เบาบางทีก็หนัก บางทีก็เพื่อเพปินบางทีก็ตับตนนูนวายสารพัดต่างๆมันจะเกิดไปไม่ได้เหมือนล่านี้นะตั้งแต่ก่อนอ่ะดีบเรียงอ่ะดีบเรียงช่วยกันคนไหนคนไหนก็พระพี่เลี้ยงอ่ะแย่ย แ, ทยแท่งแย่แทงอยู่เรื่อยแล้วถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนี้ท่านก็ถูกท่านว่าท่านด่าวเนี่ยเห็นครูวายจาย์ไปก็นอนไม่หลับหลับไม่ได้แล้ว แต่เผื่อไม่ได้นะเผื่อไม่ได้ก็โชนไม้ก็มีเมื่อพอไปนั่งพิงต้นไม้นี่ก็มันก็ง่วงมันก็หลับวันนี้มันหลับแทๆ้ๆมันไม่ไหวแทๆ้ๆก็ไปอวดสารักอัลลับหนีเป็นรี่นอนเป็นนอนมันก็ไม่หลับอถ้ามันลุกขึ้นมานอนอ่ะ โดยลุกขึ้นมาเดินอยู่ก้มน่ะมันเกิดงว่วงนอนขึ้นทันทีนั่งหนึ่งสร้างอหวาไม่ได้เลยเดินแต่เพื่อแต่เพืออยู่ตลอดวันตลอดคืนนอนสามชั่วโมงบางบางวันอ่ะโสตายเอาไปเอามาเอาไปเอามาก็จั้งสองเดือนสามเดือนเขาก็ไม่ได้อะไรอ่ะก็มาบ้าน มาก็อยู่บ้านไม่ได้อีกมาเห็นพระไม่เหลือนเหมือนพระที่อยู่กับบ้านวัดเราก็หนีออกจากบ้านออกจากนั่นไปไปอยู่ที่วัดตะลานไงอีกก็ไปอยู่ที่นั่นแหละที่เดิมนั่นแหละเอาไปเอามาตั้งเกือบจรรษาที่นั่นเลยพอออกจากนั่นก็มาอยู่กับค่อยเจรัน มาอยู่กับพระพเจยินให้เจ็บอารมณ์อยู่สิบสองวันก็มันได้เข้าใจรูปนามเข้าใจรูปนามเนี่ยไม่ใช่มันจะเข้าใจนั่นนะตอนนี้ครับได้อารมณ์บ้างแต่ไม่รู้จักว่ามันอะไรดีตอะไรดีอะไรชัว่วเออก็เดินไปมันเบาวังที่เบาเหนื่อยเบาตัวกล่มฝยันขันแข็งก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เดินไปนั้นแหละ เดินไปก็ดูไปดูเรื่อยๆไปเล่นไปบางทีก็ขยันบางทีก็เขียดขี้เกียดที่ข้านเออก็อเป็นมันเป็นไปตามมันทุกอย่างเลยไม่รู้จกักอดจากอมอะไรหรอกออวันนั้นท่านให้เฉลสิบสองวันพอถึงถวันที่1ิบเอ็ดเนี่ยนอนเลยขึ้นนั่นแหละมันหนักเนื้อหนักตัวเดินไปคล้ายๆกับเลร มามัดแช่งมัดขาผูกคอไว้หนักไปหมดเลยทั้งไอทั้งจามทั้งชิมูกทั้งน้ำลายออกมาเอ่มันเป็นไะไมันจะตายมันตายเลือกจะพื้นแต่พื้เดินไปไม่ไรเลยพอมาเนี่มันไปลนรอะไรล่ะมันมาขาดออกจากคอเลยเนี่ยต่ําเลยต่านึกว่าตัวของเอ้มันเป็นอะไรเป็นอย่างแบบนี้นู่น่ะแต่มันมันเลือกออกมา มันมันอะไรเสียงอะไรดังไปถามให้เขาก็เขาไมา่ได้ยินแลีวก็ไม่รู้จากภาษาอะไรนะเอออันนี้มันเป็นอะไรนาะเดี๋ยวมันเบาพอว่าพออไปมันเบาเบานะมันเบาเดินไปนี่ก็สว่างสวายนี่เดีเดินไปนีวก็เห็นความรู้สึกชัดเลยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ย ก, กมือนี่ตั้งแต่ก่อนก็ไม่รู้รู้แต่รู้ไม่รู้ไม่เป็นแบบนั้นรูปแบบ ที่เรายกเห็นเนี่ยมันติดไปเตี๊ยบมือของเรื่อยเลยจิตใจของเราเนี่ยเมื่อทิกหิ่งกิ่งตอไปไหนมันก็เห็นมันก็สบายใจไปเอพอเห็นต้นไม่อยู่ทั้งเสาอยู่ทั้งหน้าเนี่ยก็ไปเห็นต้นเสาก็ว่าโอ้อันนี้มันรูปนีิวะเนี่ยอ้าวรูปนี่ก็มาดูตัวเองดูตัวเองโอ้เรากายของเรานี่ก็เป็นรูปเหมือนกันเนี่ย โอ้อันนั้นรูปภายนอกอันนี้รูปภายในบ้าน น, น, า น, าานี้ก็เดินไปอีกเดินไปเดินมาไปพอแจ้งผมมาแจ้งมาก็มาเห็นความรู้สึกเย่คนตายนมันไม่มันไม่รู้สึกน้าเนี่ยคนเป็นมันมรู้สึกอันรู้เนี่ยตัวเคลื่อนไหวนี้ก็เป็ น, นรูปมันก็เป็นนามตัวเคลื่อนไหวนี้ก็ตัวกายนี่มันก็ ก็เรื่องของกายเรื่องเขาเรื่งใจใจมันเป็นนายเขาก็เขาสั่งให้มันเดินมันลุกมันก็ล่วงลุกต้องเดินโอ้พอเดินไปเดินมามันก็เข้าใจตามองเห็นรูปมองเห็นอะไรมันเป็นรูปเป็นร่างอะไรไปหมดเลยตายได้หูได้ยินเสียงมันก็ได้ยอนเป็นรูปรู้จักอะไรเป็นรูปเป็นนามโอ้อันตัวเห็นนีนตัวหนึ่งตัวลูกตัวลูกนี่ตัวหนึ่ง ก็เลยเข้าใจเข้าใจโอ้รูปน้ําเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ติดอกติดใจแล้วบัณเนี่ยเออเบาเนื้อเบาตัวบัณ น, นี้ก็มันก็อยากคิดอยากไปให้ครูบาอาจารย์ไปทำยังรูปยังนามอยากให้ไปถามไม่เห็นมีใครไปถามเลยแล้วก็เลยตอนมืดเช้ามาก็เลยออกจากกอารมณ์เสียดายไม่ได้ทําอีกต่อไปวันนั้น หนหนูพ่อจะลั่นท่างก็าพาเลือกออกจากนั่นไปบ้านคองดีนั่นแหละไปอยู่ที่นั่นไปไประเจิบอารมณ์อยู่ที่นั่นตั้งแต่นั้นมาก็เรื่อยๆมาไม่ได้ค่อยได้เก็บอารมณ์สักทีเลยไปอยากเก็บอารมณ์ก็ไม่ได้เก็บ ไปมีแต่ครูบาอาจารย์พาไปที่นอนบ้านนั้นไปจังหวัดนั้นจังหวัด น, นี้ไปตะพื้ตะพือนอยู่ไปหาหมู่อาจารย์มหาเดชเลกจำพวกนี่แหละไปด้วยกันหลายหลายไปเดินอยู่นั่นเนี่ยแต่บางทีก็เข้าใจบางทีก็ลืมไปที่มันได้มันไดมานั่นน่ะเอ่เพราะว่าความรู้สึกนี่มันก็ไม่ได้ต่อเนื่องเท่าไหร่วันนี้มาทำความรู้สึกเขา้ารู้สึกเข้าเนี่ย มันจะค่อยๆเข้าอิจยใจเองตัวรู้สึกนี่สำคัญมากถ้าไม่รู้ถึงที่นี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยนั่นในพร ะ, พระเจ้านั้นให้เราพยายามทำอย่าประมาออททาเป็นยังไงก็ตามได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามขอให้ได้ทําความรู้สึกไปเห็นครูบาอาจารย์ท่านสอนอนนะ่ะได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามให้ทําเรื่อยๆไป ก็บกบือนเราแน่นแหละมันได้ก็ตามมันไม่ได้ก็ตามไม่หวังเอาอะไรทั้งหมดหลวงพ่อขอให้อยู่แต่เล็ดหลอดตายเออไม่อยากไปเป็นแล้ววันเนี้เพราะรู้รูปรูบน้ำเราก็เลยรู้จั ก, กความดีความชั่วเออถ้าเราไม่รู้จักรูปรูปนาากน้ําเนี่ยมันก็ไม่รู้จกักชีวิตจิตใจตัวเองเนี่ยเดิมบาปบนคุณโทษเราไม่รู้จกักถ้าเราทำบาปเนี่ยทำไม่ดีเนี่ยมันจะเอาอะไรเกิดขึ้นมา เกิดขึ้นมาเล่นไม่มีประโยชน์เลยมีแต่คำโทษเจ้าของเองเนี่ยเป็นอะไรก็เป็นได้ถ้าเราไม่รู้จีบสิ่งนั่นเพราะว่าหลวงปู่ท่านพูดให้ฟังเป็นหน้าตาเป็นคนในจิตใจเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นสัตว์นรกเป็นเป็ดเป็นอสุรกายก็ได้ก็คิดเห็นเอออันนี้เราเคยทำมาหมดแล้วเนี่ยว่าโอ้ก็รู้จักอยู่ว่าเป็นเป็ดมันเป็นอะไรเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรมันก็เข้าใจ เข้าใจไปเป็นสติฉันคือคือไม่มีที่นี้ความใจให่ใจในี้ก็เป็นถัดได้ฉันไปแล้วโสกลัขมโมยเขาก็เป็นเปรต เ, เป็นอะไรแล้วอยากได้ดีกว่าคนอยากไม่ไมี ม, มานฑลที่ถที่ในี่ทตัวนี่มนก็เป็นพวกเปรตพวกนั่นไปแล้วอพวกจ้องหวงววฟันค่ากันอยู่ตามเนี่ย จากเป็นใหญ่เป็นดีดีกว่าคนอย่างเลิ่อนากดังกว่าคนเน่ะมีแต่แค่พวกเป็นดังเท่านั้นแหละพวกจองของวนผลเนี่ยมีแต่พวกสัตว์นรกมันเข้าใจไปถ้าได้รับสารคือคนคนทำความชั่วเนะ่ะทําดีมาได้มีแต่กินแต่เล่นัดตั้งแต่สิ่งที่ให้สังคมคนเดือดร้อนไปอยู่เฉยก็ให้พ่อแม่เดือดร้อนไปทําได้แต่ความความเร็วความชั่วทําไม่ทํา มีแต่ทาความชื่วความดีทำไม่ได้ก็คิดเท็นหนึ่งนี่แหละก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อยากไม่อยากสึกเลยเจ้าตัวเองอะว่าบอกให้หมูว่าเราผมจะไม่สึกนะผมปวดวัเนี้คนก็เข้าขี้หน้าหลวงพ่อเลยโอ้ยผมไม่เครียดหรอกพูดแบบนี้จะรับรองได้หรือจะพูดแบบนี้รับรองได้ว่า ผมมาสืบแล้ ว, ว่าถึอกระไรเราไปอยู่กับหมู่มผีอ่ะผีคืขุมชชิดเราเนั่นแหละเป็นผีอ่ะถ้าเป็นผีเรามันจะเอาอะไรล่ะมันไม่ได้อะไรอะก็บอกท่านั้นแหละเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเกิดมาตำโทษตัวเองหมดเลยอยู่ในที่เป็นโยมเนี่ยถ้าเราไม่มาฝึกมาแบบนี้เราเกิดมามาลงโทษตัวเองมาต ำ, ำโทษตัวเอง ทำอะไรไม่รู้จักเป็นเป็นปกับพม์ไปหมดเลยเขาไปดีก็ไปดีกับเขาเขาไปชั่วก็ไปชัว่วเขาเขาตัวแล้วแต่เขาจะพาไปเอาหาตัวพึ่งตัวเองไม่ได้ตายไปแล้วเราจะกินอะไรเราจะไปทําไมแล้วขี่เห็นแล้วเออเรามาทําโทษตัวเองลงโทษตัวเองไม่มีประโยชน์แล้วก็เลยอยู่อยู่เท่าทุกวันเนี่ยพอมาปฏิบัติมาปฏิบัติมานี่โอ้ มันก็รู้จักเราทําอะไรไว้ในชาตินี้ถ้าเราไม่ได้ทดําได้ น, ะน่ะมันไม่ได้อะไรหรอกทำได้ตั้งแต่สิ่งที่เราทําความชั่ว น, นั่นแหะมันจะได้ไวมากแต่ความดีเนะี่ยเราไม่รู้จักถอดจากถอนมีแต่ยึดมัน่นถือมันไปหมดเลยทุกอันเลยไม่ไม่มีสมิ่มีสิ่งที่หยัทิ้งได้เลยอย่างที่ความโกรธความอิจฉาความอม่ยาบยานหรือความที่ไม่ดีเราไม่อยากได้เลยไม่ปรารถนาเลยแต่ว่าเราทําอยู่ ไม่รู้จักถอดถอนอะไรเป็นยึดมั่นถือมั่นไปหมดดื้อมาได้ยิ่งเก็บโ อ, อกเก็บใช้ถ้าอะไรก็ยิ่งนอนมาเราเอาความจิตใจของเราเนี่ยไปฝากไว้กับถึงนั้นถึงนี้ไปเรื่อยๆไปไม่รู้จักถอดถอนไม่จะจักมีแต่เอาแต่พื่แต่พื่อไปมาคิดเบื้องล้วโอ้ทํำสิ่งเหล่าเนี้ยที่เราเกิดมาเนี่ยเราทําอทําอย่างนี้มันก็ได้ชั่วไปมันก็ได้มันก็เป็นอยู่างนี้เนี่ยเรื่อยๆไป ไม่ตกทุกข์เลยยากเลยไปเกิดเป็นคนมาเนี่รู้เยอะว่ามีคุณค่าที่สุดเลยถ้าเราไม่มาทําเอาเป็นแบบเป็นคนเนี่ยเราจะไม่ได้มีอะไรเลยไปเลยได้ทําถึงใดก็ได้ถึงนั่นแหละเป็นสัตว์เนี่ยเป็นม้าได้กี่พบกี่ชาติกี่กันกับมาแล้วกี่กับกี่กันแล้วก็มารู้จักเพราะว่าเราทําอย่างนั้นมาตลอดเกิดเป็นคนมาแล้วเนี่ยมันแสนดีแล้วแต่ว่าเราทําไม่คนไม่ดีอะทำไ ม, ไม่ยิ่งเอาไม่ทํา จะปล่อยปละเลยมันเป็นไงไม่คิดเห็นเลยคนโดยมากเขาจะคิดเห็นแบบนั้นนะมีเงินมีทองมีข้าวมีของเนี่ยเขาว่ามีความสุขอยู่ในโลกเนี่ยแต่ว่าพอเรามาเข้าใจเนี่ยความทุกข์มันก็ถูกอความทุกข์ความสุข ม, มันก็เป็นทุกข์คนร่ารวยเนี่ยมันก็ทําให้มันจะไม่ไม่ทุกข์เนี่ยคนจนก็ทุกข์อย่างคนจนคนรวยก็กอย่างทุกข์อย่างคนรวย ยาจกเข็นใจก็ทุกอย่างยาจกเข็นใจเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ก็ทุกอย่างเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์โลกนี่ไม่มสมิมีสิ่งที่จะออกจากทุกได้เลยมีแต่มาสร้างความไม่รู้นี่แหละให้ตัวเองมันอยู่เป็นเป็นงอย่งนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยให้ตั้งอกตั้งใจทําพวกพระสงองค์เจ้าของเราเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราแท้แท้พุทธศาสนานี่ถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะ เราจะบาปมากที่สุดก็ยมที่มาเข้าวัดฟังธรรมเนี่ยพวกพระนี่แหละตัวการนะ่ะบาปที่มากที่สุดเลยถ้าไม่รู้จักอย่างเนื่องนี่ยเนี่ ย, ยคิดเถียงแล้วเราในพยายามทำมันจะอยู่ตายก็ตามไม่เอาอะไรหลวงพอ่อขอให้ได้ปฏิบัติเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามลูกก็ตามไม่ลูกก็ตา ม, ม, ตามขอให้ได้เ็ได้ทำได้ทํำไปเท่าไหร่อ่ะรู้จิตก็สบายใจเรื่อยๆไป จะทําอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พยายามทาอย่าไปคิดเอาอะไรเถอะเกิดมาเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่ อ, อไรจะตายตายแล้วก็จะได้เป็นตัดตัดเนี่เราขมาอะไรมาบ้างขาดตัดตัดชีวิตตั้งแต่เราเป็นคนนะ่ะทําชั่วทาให้คนอื่นทําอกซ้ำใจมีกี่ครั้งกี่หนเราเคย จ, จำได้ไหมนี่เราไม่เคยเห็นบัตมาจะปฏิบัติเนี่ย เรามาเห็นทำอะไรไววนะ่ะมันจะเกิด ข, ขึ้นมาเราเห็นหมดเลยทำชั่วเราก็เคยได้ทำมาแล้วทำดีเราก็เคยได้ทำมาแล้วสิ่งที่นั่นแหละเรื่องอื่นเรื่องกอดนนะ่ะเรื่องเก่าเป็นเป็นอดีตมาแล้วนะ่ะจากกี่พบกี่ชาติแล้วตั้งเราเกิดมาเนี่ยเราทำมาได้อะไรมาแล้วนะเราไปคิดเอาในสิ่งนั้นมาคิดสิ่งนี้มาคิดเอ๊ะทาไมท่าน เราตายไปละเราก็จะมาเกิดไม่เขาค่ า, ามาให้เขาพมเหงื่ออยู่จังเราเคยทํามาเนี่ยเราจะทําไงน้นาะก็คิดเอาป่านี้โอชาทำสาธธรรมพอมาทํามาแล้วก็อดีต ท, ที่ผ่านมาแล้วไม่ต้องเอามาคิดกรรมเก่าที่เราทํามาแล้วนะ่ะกรรมเก่านะั้นไม่ใช่อะไรในกรรมเก่านะ่ะคือสิ่งที่เป็นอดีตผ่านมาแล้วนะ่ะเราทําตั้งแต่เกิดขึ้นมาเนี่ยจนมาถึงวันเนี้ย เราทำอะไรไว้เนี่ยแล้วก็เอามาคิดเอามาคิดคิดดีเมื่อกว่าไปเพลิดเพลินไปปถิงกับที่เราทำไว้ทำดีเอาทำชั่วเมื่อก็ไปคิดกับความชั่วเอาคิดคิดออกมาความชั่วขึ้นมาก็ใจเศร้าหมองเอกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดโกรธเหมือนมาเหมือนเดิมเยมีความโกรธแต่ก่อนมันก็เหมือนเหมือนเดิมที่เราเคยเป็นมาเอาพอมาคิดได้โอ้ อันนี้นะอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเป็นกรรมที่เราทําไว้แล้วน่่นะมันจะออกมาคิดทําไมมันเป็นอดีตไปแล้วอ่ะโอ้กรรมเก่านี่มันมานาตามเราเดียเห็นดังนี้เนี่ว่ะเอเราทําอะไรเมื่อก่อมาคิดมันโอมาแไรมันมันมาเตือนไว้อ่ะม่นกลัวเราจะลืมมันจะลงเนี่ยมโอ้อันเนี้ยมันนั่นนะเพราะว่าโอ้ท่าเราตายไปเนี่ย เมื่อเวลายำยมพระบาลเอาเขาไปเอาไปไต่ถวนเนี่ยเรารู้เจ้าอิจเราเองไม่มีใครจะมาม า, มารูกับเราเลยชัดเจาะที่อันซิงที่เราทําไว้แล้วเนี่ยมันไม่หลงมันไม่ลืมหรอกถึง ท, ที่เราทําไว้นั่นทํำอะไรเมื่อก็เป็นกรรมของเราเราก็ต้องมันติดตัวไปเลยเหมือนลม เ, เหมือนเงาเราตามตัวตามตัวไปไหนเมื่อก็กตามไปคือความคิดของเรา มันจะเป็นอยู่นั่นแล้วก็มาเข้าใจโอ้พวกพวกจานาโลกเอาคนไปเข้าตกลงนาโลกเนี่ยมันไม่ใช่อื่นไกลเด้ความคิดเรานี่เด้ไม่ใช่หรอกอันพวกไม่เชื่อแล้วเอาว่ายมะบาลมันจะเอาเราไปมาจดบัญชีคนหมดโลกเนี่ยมันจะทำไ้จะจดไว้ เน่ยคิดว่าโอ้น้าโลกนี่ไม่ใช่อื่นไกลจานรกก็คือความคิดของเรานั่นเองสิ่งที่เป็อดีตแปเอามาคิดนั่นถ้าความคิดของเราเนี่ยนะทําไม่ไปเอามาคิดเนี่ยเราหลงเบเลยลืมไปเนี่ยเราทําพยายามทําความเดียงเนี่ยความคิดอันนั้นก็ไม่ไม่ไม่ได้เลยเราก็โปวดตัดไปให้เขาเรื่อยๆไปตรวจหน้าไปเขาเรื่อยๆไปไม่ค่อยอ่อนไปบรรนก ไม่ไม่เคยคิดเลยเดี๋ยวนี้มันหมดไปแล้วไม่เห็นไม่ได้คิดเลยเจ้าก่อนเจ้ากนเนี่คิดเป็นประจำนอนไปเน่ยเขาคุ้มค่าเราเขาเราค่าเขาตาลพัดตั้งแต่มันจะเป็นไปเป็นภ้าเนี่ยตอนมาเป็นภ้าใหม่หม่พอมาเข้าใจทำแนวว่าเออมันเรามาทำเนี่ยได้บุญมากที่สุดเลยอะไรก็ ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่เอาอะไรตั้อย่างเดียวมันจะดีก็แช่นั่นแหละมันจะชั่วก็แช่นั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นเองตั้งแต่ก่อนไปบังคับบัญชามันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาแล้วก็จยากให้มันหนีไปเร็วๆเนี่ยก็ไปบังคับเขาอย่างนั้นแหละแล้วก็ลงไปอยู่นั้นแหละลงอารมณ์มันั่นหลงอารมณ์มันนี่ไปเรื่อยๆไปพอมาเข้าใจเนี่ยอะไรเกิดก่อนมาเกิด อาจะจะดับก็มันดับมันเห็นแล้วก็แล้วไปดีก็มีชั่วก็มีอันนี้ก็ไม่เที่ยงอนั่นก็ไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงนะ่ะเกิดมาในโลกนั้นไม่มีใจมาแนวมีแน ว, แนวที่ น, น, น, ทาา น, ททนั่นแหละมีแต่ตนจะทําให้เราเป็นทุกข์เท่านั้นแหละของเที่ยงไม่มีตัวมีตนหาว่าเป็นมีตัวมีตนไปยึดมั่นถือมันในติณ น, นั่นติณนี้แล้วก็เป็นทุกข์ไป พอเราเห็นแล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็แล้วไปเมื่อก่รนเลยแล้วแล้วไปเป็นทางผ่านให้หมดโลกนี่สิ่งที่เนีสิ่งที่จะติดตัวไปนั่นน่ะมันเอาไปไม่ได้หรอกเพราะเป็นธรรมบัตรของโลกมีแต่ลูกแต่หลานแต่นั่นน่ะเขาคุ้มคองไปคนอื่นเป็นของคนอื่นเรื่อยๆไปนั่นแหละมปนเงินเป็นทองมันเข้าของเอาไปไม่ได้วัดอะไรเป็นวัตถุเอาไปไม่ได้หรอก นอกกับคีวิตจิตใจของเราถ้าอยากได้ก็ให้ทำเอาทำแบบพวกเราเนี่ยให้รู้ทำอะไรให้รู้รู้ไปไหนก็ให้รู้รู้ในปัจจุบันนะอะไรเกิดมารู้เฉยเฉยไม่ต้องเป็นผู้เป็นจะเป็นผู้เอาอะไรเกิดขึ้นมารู้แล้วก็ปล่อยไปวางไปจิตใจก็ตาวางใจไว้มันก็นอนก็ฝันดีนอนก็สบาย ไปไหนอยู่ไหนก็สบายไปอยู่คนเดียวก็อยู่ได้อไมถ้ามีมีเพื่อนอยู่กับเพื่อนรู้จึกเนี่ยรู้จักอบอุ่นรู้จักพอพ อ, ออกพรมใจภูมิ อ, อกภูมิใจให้พยายามทําเอไปไหนไปไหนก็อยู่กับตัวรู้ดูเป็นหลงถ้าจิตปับ๊บประเดีวก็หลงเมื่อนั้นแหละเออคิดปั๊บเมื่อไรก็หลงเมื่อนั้นพอหลงเราก็มาอยู่ในปัจจุบัน การเคลื่อนไหวในปัจจุบันเนี่ยเป็นมีประโยชน์มากถ้าไม่ทำการเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างผมเนี่ยจะไม่รู้เลยแหละไปนั่งกรรมาฐานก็ไปนั่งมาแล้วมแีแต่คิดไปกับผมคิดไปตะพื้นตะพื้นไปเรื่อยๆไปแต่มาทั้งนี้เนี่ยโอ้มาเห็นเกมชิดตัวเองเนี่พอคิดปั๊บมาเนี่ยมาเห็นเห็นมันหยุด หยุดไปสิ่งที่ไม่รู้มันก็เข้ามาอยู่ในตัวเราดูแล้วก็สิ่งที่ไม่รู้น้ะก็หายไปหลายครั้งก็หลายวนเขามันก็ค่อยห่างออกห่างออกจิตใจมันก็สว่างสวายมัน เ, ย, นเย็ยนเอยากเย็นมันสบายอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้เท่ารู้ทันไม่ก็สบายอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีอดใจพยายามทําเอาให้มันชนะให้หมดสิ่งที่มา ย่อโยนมาทําให้เราสรับสนอยู่เดี๋ยวนี้คือความห่วงความใยความชีวิตจิตใจของเรานี่แหละความคิดตัวเนี้ยเรามาทันความคิดตัวเองมันก็เลยไปติดอยู่ในความคิดแล้วก็เลยทุกไปกับมันเลยไม่รู้จักทางหนทางที่จะออกจะเข้ามีแต่มีแต่เข้าไปแต่เพื่อแต่พื่อมีดอกอย่างนั้นมีแต่ความหลงไปเรื่อยๆไปเพลิดเพลินไปเรื่อยๆไ ป, ๆไป ถ้าเราไม่มาถึงนี่เราจะเป็นคนลงเงืนั่นตลอดไปเลยเพราะฉะนั้นให้เราพยายามให้มาทําความตูกซึกเนี่ยมันจะชัดว่าอาศัยกายอาศัยใจของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของเรากายของเราเนี่ยกับใจของเราเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเกิดมาพร้อมกันแต่ว่ามันไม่ค่อยอยู่มันไม่ค่อยรู้จักกันมันอให้เอาเสียให้อภัยกันก็ไม่ได้ ม้แต่ใส่ไล่ใส่ใส่สีตัวเองไปเรื่อยๆไปไม่ไม่รู้จักว่าสงสารกันเลยพอมันรู้จักรูปรู้จักนามท่านนั่นแหละจนล่องให้ก็มีกายกับใจของเราของเนี่ยเนี่ยมันเป็นบ่าวกับนายผู้หนึ่งเป็นเจ้าของบ้านคนหนึ่งเป็นเจ้าเ ป, เ, ป เ, ปเป็นเป็นเป็นเรือนของเขา เนี่ย yeah. ถ้าเจ้าของบ้านไม่อยู่เนี่ยก็บ้านเหลือนก็ลุกลุงลังถกกรปกมีอันตรายไปอาเจยที่นั่นมันก็จะทำลายเราอีกเรื่อยๆไปเนี yeah. ่ยเหมือนเราไม่เห็นความคิดของเรานั่นแหละไมไ่ค่อยเข้าใจเข้าใจตัวเองไมไ่ค่อยจะดีดันั้นให้เราพยายามมาทำความรู้สึกนี่แ่ะ มาทำอย่องสองอย่างนี้แหะให้มันอยู่กับบ้านอยู่เรียนมันพอมันออกไปน่ะเรายกมือปั๊บขึ้นมาเี่มันเดี๋เข้ามาแล้บ้านอยู่นี้มานี้ลงเข้ามาเข้ามาเนี่ยปวดบวดใหม่ๆนะมาปฏิบัติตใหม่ๆเนะเอยมันเรียกเข้ามามาไม่ไม่อยากให้เที่ยวไปที่ไหนให้มันเป็นหนึ่งกายกับใจของเราเนี่ยเป็นอันเดียวกันมันไปไหนมาไหนก็ให้มันไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันเกียรติเหตุตั้งแต่ก่อน่ะพากินเหล้ามันก็ไปกินพาไป หาชกลักขโมยตัวแล้วแต่เขาจะพาไปอาจี้หาป้นสารพันธดมันจะพาไปไปกับมันตะพื้นตะพือไปพอเรามาเห็นแล้วมันรู้จักไม่ไปกับมันแล้วมันเนี่ยให้เราให้เราอย่าไปเครียมันแต่แต่นั้นมันหลอกมาอยู่ตลอดเวลาเท่าเราไม่มาทําแบบนี้มันจะหลอก็นตาย น, นั่นนะเราอย่ า, อ, าอะไรเกิดขึ้นมา ถ้าเราไม่รู้ทั้งนี้เพราะฉะนั้นในอุตตรเท่าไหร่ก็พยายามเราปฏิบัติมาเนี่ยความหนักอกหนักใจความสับสนวุ่นวายสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่นะเราจะไปบังคับมันมันเป็นยังไงก็าตามแต่ว่าให้เรู้จักให้รู้จักอย่าไปเอาอย่าไปเข้าไปอยู่กับเขามาอยู่กับตัวลูกเนี่ย เอาทางความรู้เนี่ยมาอาศัยมีที่พึ่งมีที่อาศัยแล้วมาอาศัยต่อพืความรู้สึกเนี่ยยกมือเนี่ยเขลื่นไว้เนี่ยให้มันได้ทุกอริยบทไปไหนมาไหนให้รู้พอมันหลวงเอาเข้ามารู้พอมันออกหนีไปก็รู้มาดูอาศัยตัวเดียวนี่แหละมันออกไปเมื่อไหร่ก็มันมันออกเก็บบ้านมันไปแล้วอมส่วนเดียคือปั๊บมันก็ขึ้นมา มาอยู่กับตัวรู้ตัวเดียวนี่แหละทำความรู้สึกตัวเนี่ยสำคัญมากให้เราพาทำเอาให้ไ ด, ได้มันจะเป็นอะไรก็าตามมันจะไปบังคับมันอะไรอะไรเกิดก็มันเกิดขึ้นมาอะไรดับก็มันดับขึ้นมาให้เราดูเฉยๆไปดูๆเฉยๆไปไม่ต้องเอาอะไรของมีพิษก็มีของไม่มีพิษก็มีของมีบุญมีคุณก็มีถ้าอันนั้มนมเกิดขึ้นก็ไม่อยากให้มันหนีแล้วตัวได้ดี เดินหามันเดินตลอดวันเแี่ยอันนั้นนะทําให้เราหลงทางเราจะไปเป็นผู้เป็นอนะันหลงแล้วนะ น, นะแล้วก็มาอยู่กับต้นรูตึกนี่ไม่ต้องเอาค่อยๆทํามันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นก็าตามเกิดขึ้นแล้วเราเดี๋ยวไปอยู่กับเขาไปบังคับมันชาบรญชามันไม่ได้หดอกเรื่องธรรมชาติของเขาเป็นอยู่นั้นอืถ้าธรรมชาติมัน เป็นยังไงก็ไปบังคับมันไม่ได้มันต้องทุกข์ราฉะนั้นเราอย่าไปทุกข์กับมัน